สี่หัวข้อใหญ่ๆที่พระพุทธองค์ได้ให้เราไปคิดพิจารณาเลือกคนที่จะมาเป็นคู่และทำให้เกิดรักแท้ขึ้นมาได้แล้วองค์ประกอบสำคัญจริงๆเลยในการใช้ชีวิตร่วมกันก็คือคำพูดและการกระทาที่มีต่อกันและกันสินที่ว่าด้วยการพูดที่พระพุทธองค์ได้ให้ไว้คือห้ามพูดคำโกหกห้ามพูดคาส่อเสียดห้ามพูดคาลินทาห้ามพูดคาหยาบ